มจุดมุ่งหมายของการเกิดใหม่การเกิดใหม่เป็นกระบวนการธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิตเพื่อวิญญาณจะได้มีประสบการณ์ด้านต่างๆก่อนจะออกจากโลกเข้าสู่โล ก, กุตรพาวะและไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในพบในไหนอีกต่อไปโลกนี้เป็นเสมือนโรงเรียนใหญ่สาหรับวิญญาณจะได้ศึกษาหาประสบการณ์จนถึงที่สุด เมื่อเราได้เกิดซ้ำซากอยู่ชาติแล้วชาติเล่าได้ผ่านความสุขบ้างทุกบ้างประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างเป็นบทเรียนพอสมควรแล้วเราก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกทิพย์ช่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งมีสภาวะต่างๆแตกต่างจากโลกของเราเป็นอันมากวิญญาณของเราตื่นตัวมากขึ้นความรู้สึกประทับใจในจริยธรรมมีมากขึ้น โรงเรียนโลกก็เหมือนกับโรงเรียนสามัญคือโรงเรียนสามัญนั้นนักเรียนจะต้องมาโรงเรียนวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเพื่อเรียนวิชาซ้ำๆกันนั่นเองชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าจนกว่าจะจบหลักสูตรแล้วออกจากโรงเรียนไปเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงกว่าถ้าเป็นผู้ที่เรียนจบชั้นสูงสุดแล้วก็ไม่ต้องเรียนอีกต่อไป โรงเรียนโลกก็ทำนองเดียวกันวิญญาณจะต้องมาสู่โลกนี้ชาติแล้วชาติเล่าเพื่อเรียนบทเรียนซ้ำๆกันนั่นเองเพื่อให้วิญญาณชำนาญและรู้แจ้งในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตแล้วประมวลลงเป็นบทเรียนที่วิญญาณจะต้องเรียนรู้และทรงจำวิญญาณที่เรียนจบหลักสูตรสมบูรณ์แล้วก็ออกจากโลกไปไม่หวนกลับมาอีกที่เรียกว่าโลกุตระ ข้อแตกต่างระหว่างโรงเรียนสามัญกับโรงเรียนโลกก็คือในโรงเรียนสามัญนักเรียนผู้ไม่สมัครใจเรียนอาจลาออกจากรูเรียนไปในระหว่างเรียนก็ได้แต่โรงเรียนโลกจะไม่เป็นอย่างนั้นนักเรียนของโรงเรียนโลกคือคนทุกคนจะออกจากโลกไปโดยยังไม่จบบทเรียนหาได้ไม่ผู้ที่จะออกจากโลกไปได้เป็นโลกุตตรชน ก็เฉพาะผู้ที่จบบทเรียนสมบูรณ์สูงสุดแล้วเท่านั้นความทุกข์ยากลําบากเป็นบทเรียนอันสูงค่าของชีวิตชีวิตยิ่งลําบากเท่าใดเรายิ่งได้เปรียบมากเท่านั้นทั้งนี้หมายถึงเพื่อการศึกษาและความรอบรู้ของวิญญาณคนส่วนมากมักตีคุณค่าของชีวิตด้วยลาบผลที่หาได้เช่นตําแหน่งยศความสนุกสนานสําราญใจ ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าแก่ชีวิตน้อยสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตจริงๆคือพฤติกรรมอันทําให้เราสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้ขึ้นสู่ระดับสูงความทุกข์ยากและความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้จักโลกและชีวิตดีขึ้นเพราะจุดประสงค์ใหญ่ของชีวิตก็เพื่อพัฒนาอานาจที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของเราให้เจริญถึงขีดสุด ประสบการณ์ทุกชนิดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เป็นส่วนหนึ่งแห่งบทเรียนของเราแต่น่าเสียดายที่คนส่วนมากมักลืมข้อเท็จจริงอันนี้เสียไม่ยอมรับบทเรียนที่มหาวิทยาลัยโลกเสนอให้จึงต้องเรียนซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกว่าบทเรียนนั้นจะแจ่มแจ้งขึ้นในใจของเขาเองระยะเวลาจากชาติหนึ่งไปถึงอีกชาติหนึ่งกําหนดแน่นอนไม่ได้ ถ้าวิญญาณก้าวหน้ามากมีคุณธรรมสูงมากจะอยู่ในโลกทิพย์หรือสวรรค์นานเป็นพันพันหมื่นหปีเพื่อย่อยประสบการณ์ต่างๆเข้าสู่อปบิณิสัยแล้วมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพื่อหาโอกาสเรียนรู้บทเรียนที่ยังเหลืออยู่บางบทเข้าสมัครใจมาเกิดเพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนมนุษย์หรือช่วยเหลือมนุษย์เป็นการพัฒนาจิตใจ การตายแล้วเกิดเป็นกระบวนการที่สิ้นสุดได้ถ้าเราสามารถพัฒนาวิญญาณให้สมบูรณ์จนไม่มีความชั่วหลงเหลืออยู่เลยชีวิตเพียงชาติเดียวไม่เพียงพอที่จะหาประสบการณ์ให้แก่วิญญาณได้เรียกว่าเกือบจะไร้จุดมุ่งหมายเอาทีเดียวเหมือนนักเรียนมาโรงเรียนเพียงวันเดียวจะทันได้เรียนรู้อะไร เด็กที่เกิดมาในแหล่งสลัมในนครใหญ่ๆนั้นจะมีประโยชน์อะไรถ้าเขาเกิดมาเพียงชาติเดียวแต่เพราะเหตุที่ไม่มีอะไรสูญไม่มีอะไรถูกลืมไม่ว่าชีวิตจะสั้นเพียงใดมันย่อมมีบางสิ่งบางอย่างอันมีคุณค่าแก่การทรงจำของวิญญาณหรือเป็นการใช้หนี้เก่าบางอย่างที่เคยทำมาในชาติอดีตโชคชะตาของแต่ละคน จึงเป็นผลรวมแห่งการกระทําในอดีตของเขาเองความสามารถทางจิตสภาพทางกายอุปนิสัยทางศิลธรรมและเหตุการณ์สําคัญในชาติหนึ่งชาติหนึ่งย่อมเป็นผลแห่งความปรารถนาความคิดความตั้งใจของเราเองในอดีตโชคชะตาไม่ใช่ใครจะหยิบยื่นให้ใครได้แต่มันเป็นผลรวมแห่งการกระทําของเราเองในอดีตจนถึงปัจจุบัน ความต้องการในอดีตของเราเป็นสิ่งกำหนดโอกาสในปัจจุบันของเราไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆสภาพปัจจุบันของเราเป็นผลแห่งการกระทำความคิดและความต้องการของเราในอดีตไม่เฉพาะแต่ในชาติก่อนเท่านั้นแต่หมายถึงในตอนต้นๆแห่งชีวิตปัจจุบันของเราด้วยเพราะเหตุที่การเกิดใหม่มีจุดมุ่งหมายนั่นเองเราจะเห็นว่า ในบางยุคมีนักปราชญ์มาเกิดมากมายเป็นหมู่หมู่เหมือนนัดกันมาเกิดทั้งนี้เพื่อทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านทำข้างค้างไว้ให้เสร็จไป 4. เหตุที่บุคคลระลึกชาติไม่ได้ปัญหาที่น่าสงสัยมากอย่างหนึ่งก็คือเหตุไรคนส่วนมากจึงระลึกชาติไม่ได้มีคนส่วนน้อยเหลือเกินที่ระลึกชาติได้ เมื่อระลึกชาติผ้นหลังไม่ได้จำอดีตของตนไม่ได้วิญญาณก็ไม่มีทางพิจารณาผลเทียบกับเหตุได้การเกิดใหม่ก็ไร้ความหมายผลดีหรือชั่วที่เกิดขึ้นในระยะหลังเหมือนการให้รางวัลและการลงโทษคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยปัญหานี้ตอบได้ว่าเหตุที่คนส่วนมากระลึกชาติก่อนไม่ได้น้นเพราะเหตุหลายอย่างเช่น อยู่ในโลกแห่งวิญญาณเส้นานเกินไปคนที่ระลึกชาติได้ส่วนมากพอตายจากมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกทันทีหรือภายในเวลาไม่กี่วันระยะเวลาระหว่างพบเก่ากับพบใหม่สั้นมากความทรงจำเรื่องเก่าๆยังแจ่มใสยอยู่อันหนึ่งแม้ในชาติปัจจุบันเราก็ไม่สามารถจำรายละเอียดของการกระทาหรือคาพูดของเราได้หมด แม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อวานนี้เองเราก็จำได้ไม่หมดในช่วงเวลาสองสามปีแรกแห่งชีวิตเราจำอะไรไม่ได้เลยจ้าเหมาเอาว่าชีวิตตอนนั้นของเราไม่มีอย่างนั้นหรือตามปกติเราจำสาระสำคัญแห่งชีวิตได้แต่เราจำรายละเอียดไม่ได้ข้อสังเกตก็คือเรามีท่าทีหวาดกลัวหรือชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยที่เราไม่รู้สาเหตุของมันข้อนี้แสดงถึงความทรงจำในอดีตของเราอันแฝงอยู่ที่ว่าเมื่อเระลึกชาต์หนหลังไม่ได้จำอดีตชาติของตนไม่ได้วิญญาณก็ไม่มีทางพิจารณาผลเทียบกับเหตุได้การเกิดใหม่ก็ไร้ความหมายผลดีผลชั่วที่เกิดขึ้นในระยะหลังเหมือนการให้รางวัลและการลงโทษคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั้น ขอตอบว่าการที่เป็นเช่นนั้นแสดงถึงความยุติธรรมอย่างยิ่งของหลักกรรมคือใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามกรรมย่อมให้ผลไปตามหน้าที่ของมันอย่างเที่ยงตรงเปรียบเหมือนความเที่ยงตรงแห่งหลักสุขภาพอนามัยใครปฏิบัติตนอันเป็นเหตุทำลายสุขภาพสุขภาพย่อมเสื่อมลงไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นศาสตราจารย์ทางสรีรวิทยาหรือชาวนาชาวสวน แต่ถ้าใครปฏิบัติตนอันเป็นเหตุให้สุขภาพสมบูรณ์เขาย่อมมีสุขภาพสมบูรณ์เขาจะรู้หรือไม่รู้หลักอันนั้นก็ตามนี้แสดงว่าโลกนี้มีหลักจริยธรรมสากลทำนองเดียวกับสุขภาพอนามายัยอันทำงานอย่างเที่ยงตรงไม่เข้าใครออกใครแต่มันเป็นจริงในตัวมันเองเป็นออบเจกตีฟทรูธ ไม่ขึ้นอยู่กับความไม่เข้าใจและความชอบไม่ชอบของใครความจริงสิ่งต่างๆซึ่งบุคคลได้ประสบแล้วหรือที่วิญญาณได้รับรู้แล้วเก็บสั่งสมไว้แล้วนั้นไม่เคยหายไปเลยมันลงไปสะสมอยู่ในภวังควิญญาณซึ่งมีหน้าที่สะสมกรรมนั่นเองแต่ที่บุคคลระลึกไม่ได้ก็เพราะมันทับถมกันอยู่มาก เหมือนใบไม้ที่หล่นทับถมกันลงไปในที่แห่งหนึ่งเราเห็นได้เฉพาะใบที่อยู่ชั้นบนเท่านั้นส่วนที่ทับถมกันอยู่เบื้องล่างเราหายเห็นไม่แต่มันก็มีอยู่เปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนน้ำกับผิวของน้ำที่เราเห็นได้นานเป็นผิวของน้ำนอกจากผิวแล้วน้ำยังมีส่วนลึกอีกมากที่เรามองไม่เห็น ส่วนที่เรามองไม่เห็นนั้นจะปฏิเสธว่าไม่มีอยู่หาได้ไม่ความจริงมันเป็นพื้นฐานให้เราเห็นผิวของน้ำพูดตามหลักจิตวิทยาอารมณ์คือภาวะหรือพฤติการซึ่งเกิดขึ้นกับจิตเมื่อจิตกับสิ่งภายนอกกระทบกันเมื่ออารมณ์เก่าผ่านพ้นไปแล้วคนส่วนมากเข้าใจว่ามันผ่านพ้นไปแล้วหายไปเลย แต่ความจริงมันหายได้หายไปเลยไม่แต่มันจะลงไปค้างอยู่ในส่วนลึกของจิตหรือวิญญาณที่เรียกว่าจิตไร้สำนึกหรือ unconscious mind คือจิตส่วนที่เราสำนึกไม่ถึงอารมณ์เหล่านั้นลงไปสลับซับซ้อนกันอย่างมากมายจิตไร้สำนึกนี้คือพวางขวิญญาณ ส่วนจิตสำนึกคือวิถีวิญญาณซึ่งออกมารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าจากักรูวิญญาณมโนวิญญาณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมมารมณ์เมื่อเรามองลงไปในทะเลเราเห็นคลื่นบนผิวน้ำแต่กระแสะอันแรงกล้าของน้ำที่ไหลยอยู่ใต้เกลียวคลื่นเราหาเห็นไม่ เมื่อเรามองต้นไม้เราเห็นลำต้นกิ่งใบของมันแต่รากของมันอันยันลึกลงไปในดินเรามองไม่เห็นฉันใดเมื่อเราพิจารณาบุคคลก็ฉันนั้นสิ่งที่เราเห็นคือพฤติกรรมอันเกิดจากอุปนิสัยส่วนอุปนิสัยของเขาเราหาเห็นไม่แต่พฤติกรรมย่อมส่ออุปนิสัยของเขาว่าเป็นอย่างไรดังนั้นคนที่รับอารมณ์อย่างเดียวกัน อาจมีความรู้สึกไม่เหมือนกันถ้าอุปนิสัยอันเป็นส่วนลึกของเขาไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นกอกับขอได้ยินเสียงการสอนธรรมเหมือนกันกอรู้สึกชอบแต่ขอรู้สึกรำคาญพอเปลี่ยนอารมณ์ใหม่คือเปลี่ยนเป็นเสียงดนตรีจังหวะเร่าร้อนขอชอบมากแต่กอรู้สึกรำคาญนี่แสดงว่าอุปนิสัยของคนทั้งสองไม่เหมือนกัน เขาสะสมความชอบและความไม่ชอบของเขามาคนละอย่างวิญญาณหรือจิตเป็นเหมือนกระดาษรับหรือแผ่นเสียงรับหรืออัดสิ่งใดไว้เมื่อมีความเหมาะสมที่จะแสดงออกย่อมแสดงสิ่งนั้นออกมาการที่บุคคลหลายคนประสบอารมณ์อย่างเดียวกันแต่ปฏิกิริยาโต้อตอบไม่เหมือนกันก็เพราะอุปนิสัยอันเป็นส่วนลึกของเขาแตกต่างกัน อุปนิสัยของคนเป็นอย่างใดเขาย่อมแสดงตนอย่างนั้นเสมออารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างตกลงไปสะสมอยู่ในจิตไร้สำนึกหรือพวังขวิญญาณแม่จิตสำนึกหรือวิถีวิญญาณของเราก็ไม่ผ่องใสเราคนอยู่ด้วยราคาโทสะโมหะหรือโรคโกรธหลงรวมความว่าทั้งส่วนลึกและส่วนผิวของจิตไม่ผ่องใส เปรียบเหมือนน้ำที่ขุ่นมัวทั้งผิวของน้ำและส่วนลึกของน้ำเราจึงไม่สามารถมองเห็นอะไรที่อยู่ใต้น้ำอันซับซ้อนกันอยู่มากมายเรื่องราวในอดีตของเราเปรียบเหมือนของต่างๆที่ซับซ้อนกันอยู่ใต้น้ำส่วนลึกแห่งจิตของเราเปรียบเหมือนส่วนลึกของน้าผิวของจิตหรือจิตสำนึกหรือ conscious mind ของเราเปรียบเหมือนผิวน้า ส่วนลึกของจิตของเราเป็นอุปนิสัยของเราส่วนลึกของจิตนั้นมาจากอารมณ์ที่เราสะสมไว้แต่ละวันเมื่อจิตหรือวิญญาณรับอารมณ์เป็นต้นว่ารูปถ้ารูปสวยเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดบุคคลผู้นั้นเกิดความกำหนัดในรูปนั้นเมื่อผ่านเลยไปแล้วความกำหนัดซึ่งเกิดขึ้นชั่วคราวนั้นหายไปแล้ว ที่ว่าหายไปแล้วนั้นเป็นเพียงความรู้สึกของบุคคลผู้นั้นแต่ความจริงความรู้สึกกำหนัดนั้นหาได้หายไปเลยไม่มันลงไปนอนเป็นอนุสัยอยู่ในจิตไร้สำนึกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกอาการอย่างนี้ว่าราคานุสสยถ้าจิตไม่ชอบเกิดความหงุดหงิดขึ้นมันก็ลงไปเป็นปฏิคานุสัยเพราะเชื่อแห่งความโกรธง่ายให้เกิดขึ้นในจิตสันดาน อารมณ์ภายนอกหรือสิ่งภายนอกที่มากระทบจิตเปรียบเหมือนไฟอาสวะคือส่วนชั่วที่เราสะสมไว้ในจิตและบารามีคือส่วนที่ดีที่เราสะสมไว้ในจิตหรือในวิญญาณเป็นเหมือนเชื้อเพลิงถ้าไม่มีเชื้อไฟอยู่แล้วเอาไฟมาจุดมาจี้ก็ไม่ลุกเป็นไฟขึ้นมาได้ตัวอย่างเช่นคนที่ไม่มีราคะอยู่ในจิตแม้จะพบเห็นรูปที่สวยงาม หรือเอาความสวยงามปานใดมายั่วยวนไฟคือราคาก็หาเกิดขึ้นเผาใจบุคคลนั้นไม่เหมือนเอาไฟที่หัวไม่ขีดเล็กๆไปกระทบเข้ากับน้ําไฟนั้นย่อมดับไปเองแต่คนที่มีราคานุสัยอยู่มากพอกระทบอารมณ์ที่งามเข้าไฟคือราคาก็ลุกเพิ่มขึ้นทันทีทางด้านบารมีก็เหมือนกันมีบารมีมาทางใดมาก เรียกว่ามีเชื่ออย่างนั้นอยู่ในจิตมากเมื่อกระทบอารมณ์ภายนอกอย่างนั้นเข้าบรารมีนั้นก็ออกมารับทันทีเช่นคนผู้สะสมบรารมีในทางธรรมมามากเมื่อได้ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมย่อมีความพอใจมีความสุขและสามารถเข้าใจธรรมได้อย่างรวดเร็วคนที่มีอาสวะและบรารมีอย่างอื่นก็ทำนองเดียวกันนี้ ตราบใดที่เรายังไม่สามารถทําจิตไร้าสานึกของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ตราบนั้นชีวิตของเราจะสดชื่นเบิกบานเต็มที่ไม่ได้เหมือนผิวน้ำจะมองดูใสาปานใดก็ตามถ้ายังมีของเน่าอยู่ใต้น้ำผิวน้ำนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์เพราะเจือไปด้วยเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นและเป็นอันตรายแก่ผู้ดื่มได้ผิวของจิตหรือจิตสานึก คือวิถีจิตหรือวิถีวิญญาณเทียบกับผิวน้ำอาสวะหรือกิเลส ท, ที่หมักหมมอยู่เทียบกับส่วนลึกของน้ำหรือน้ำที่อยู่ใต้ผิวน้ำลงไปการทำผิวจิตหรือจิตสำานึกปัจจุบันให้บริสุทธิ์นั้นเรามีวิธีทำได้โดยการสํารวมอินทรีย์คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจมิให้ยินดียินร้ายเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่น ริมรส ถ, ถูกต้องสัมผัสและรู้อารมณ์ส่วนจิตไร้สำนึกหรืออาสวะอนุสัยเราวิวิธีทาให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการทำสมถะและวิปัสสนาทมเหล่านี้เป็นเครื่องกลั่นให้อาสวะระเหิดหรือซับลิเมชันส่วนอินเซียสังวร น, นั้นเป็นวิธีกรองเอาเฉพาะอารมณ์ดีเข้าสู่จิตเมื่อจิตหรือวิญญาณ ไม่ได้รับอารมณ์ใหม่ที่เศร้าหมองเข้าไปและได้เครื่องมือคือสมถะและวิปัสนามาถอดถอนหรือ displacement อารมณ์เศร้าหมองเก่าๆซึ่งทับถมอยู่ให้หายไปความเศร้าหมองซึ่งแนบอยู่กับจิตหรือเป็นเชื้ออยู่ในจิตสลายตัวหมดไปเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ล้วนๆส่วนอารมณ์ที่เหลืออยู่กับจิตก็เป็นอารมณ์บริสุทธิ์ผ่านการกรองมาแล้ว จิตหรือวิญญาณก็กลายสภาพเป็นตัวของตัวเองคือบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสกระปรี้กระเป๋าหรือแอคทีฟอย่างเต็มที่ไม่ถูกครอบงำไม่อยู่ในอำนาจบัญชาการของกิเลสสิ่งชั่วการกระทาคำพูดและพฤติกรรมต่างๆของบุคคลเช่นนั้นจึงออกมาในรูปของความบริสุทธิ์สามารถเห็นได้รู้ได้ซึ่งเรื่องราวต่างๆในอดีต ตลอดรวมไปถึงเรื่องราวในชาติก่อนๆด้วยนี่คือปุเพนิวาสานุสติยานคือการระลึกชาติได้ของผู้ตั้งใจทมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาการที่คนระลึกชาติของตนไม่ได้ก็เพราะมีความเศร้าหมองอยู่กับจิตหรือวิญญาณมากสิ่งเศร้าหมองเหล่านี้ยังไม่ระเหิดไปวินามซ้ำยังรับเอาสิ่งเศร้าหมองเข้าสู่จิตอีกทุกวัน